กิจสำคัญกิดนั่งสมาธิภาวนาละกิเลสยังไม่เสร็จสิ้นไปการฟังธรรมในคืนวันนี้จะให้เราท่านทั้งหลายได้หัดนั่ง ขัดสมาธินั่งภาวนาสมาธินั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนานั่งภาวนาการนั่งขัดสมาธินั้นมีมาตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราสเสด็จออกบรรพชา ตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าปีจนอายุได้สามสิบห้าปีพระองค์ก็เสด็จไปภาคกลางอินเดียไปถึงต้นไมโพก่อนก็ยังไม่เรียกว่าต้นไมโพภายหลังมาพระองค์ได้ตัดสรู้ที่นั้นก็ให้ชื่อว่าต้นไม้โพธิโพธิญาณ ที่พระองค์บำเพ็ญมาเสีอสงไขแสนมหากับทําบุญให้ทานมาโดยลําดับพอมาถึงต้นไมโพแล้วพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิที่จะได้แนะนำเราท่านทั้งหลายนี่แหละการนั่งสมาธิ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 หากันหัดนั่งหรือว่าจำไว้เราไปบ้านเรือนจะได้นั่งทุกคืนทุกคืนหลวงโปจะได้นั่งให้ดูคืออย่างนี้นี่ข้างนี้เป็นข้างซ้ายเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขว า, านี่ข้างนี้เป็นข้างขวา เอาขาขวาขึ้นมาทับข้างซ้ายแล้วก็เอามือขวาวางทับมือซ้ายยกกายขึ้นให้เที่ยงกลงอย่าไปกลัวมันเจ็บปวดทุกขเวทนา ให้กายของเราตัวเราทุกคนนั่นแหละทั้งหญิงชายหัดนั่งให้ได้แล้วก็ยืดตัวขึ้นนั่งให้เที่ยงกลองเหมือนพระพุทธโูกท่านนั่งโดพระพุทธโูกหลวงพ่อชินนาราศหลวงพ่ออะไรมีขัดสมาชิก็มีให้เราทุกคนนั่ง ทั้งพระสงสามมันเนนอุบาศกหมายถึงยอดญาติโยมผู้ชายอุบาสิกาหมายถึงญาติโยมผู้หญิงทุกทุกคนให้พากันนั่งเสียกอดมันเน็ดเหนื่อยเมื่อหิวยังค่อยเปลี่ยนแต่ว่าบทแรกนัดแรกให้ตั้งใจฝึกเพราะว่าการฝึกฝนอบรมนั้น เป็นอุบายทำรรในทางพุทธศาสนาแม่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก่อนเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชานั่งภาวนาแบบอื่นแบบร้อยแปดพระองค์ก่อนนั่งแต่ไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้า เมื่อพันษาล่วงไปแล้วหกพันษายกยกพระองค์กมา น, นั่งขัดสมาธิเพชรที่แนะนำเราท่านทั้งหลายนี่แหละในคืนวันนั้นก็เป็นคืนวันวิสาขบูชาเดือนหกเผ่นคลายกันกับวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวัน พระพุทธเจ้านั่งภาวนาเหมือนกันแต่ดือนหกแผ่นนี้มันเป็นในเมตมงคลของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อพระองค์ประสูติเกิดกอเลว่าเดือนหกแผ่นประสูติในป่าเลว่าป่าสวนระหว่างประเทศ ที่บ้านเมืองเราเมืองไทยในกรุงเทพได้เอามาตั้งเป็นสวนลมพีนีสวนลมพีเนีเนี่เป็นสวนที่พระพุทธเจ้าประโซ่คือเป็นธรรมดาของแขกในสมัยนั้นเิงคนไหนไปมีครอบครัวเมืองอื่นเวลาจะคลอดบุตรคนแรกก็ไปคลอดที่บ้าน ของพ่อแม่ของแม่พอเดชเสด็จมาถึงที่นั้นเป็นป่าเหมือนกันป่าไม้เลยประโสดชก่อนก็เลยกลับแค่นั้นให้เชื่อว่าสวนลงพินีเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชา ก็มาเป็นเดือนหกเพนอีกเมืองนั้นสมัยนี้เรียกว่าจังหวัดพุทธขยามีต้นไม้โพเป็นที่ร่มเย็นพระพุทธเจ้ามานั่งขัดสมาธิทิพธิกงนี้เอง เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิดเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ว่านั่งขัดสมาธิทางร่างกายเท่านั้นเจตใจของพระองค์ก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะให้ได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าในร่มไมเนให้ได้เมื่อพระองค์นั่ง เสร็จเรียบร้อยขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัจจยาทิ่ฐานลงไปว่าจะไม่ลกไปมาในที่ใดๆอีกถ้าไม่ได้ตรัสโลก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายแสดงว่าพระองค์เอาจริงคราวนี้ไม่เอาเล่นพระองค์นั่งขัดสมาชรตั้งใจลงไปว่า แม่เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีก็คือว่ามันจะตายพระองค์ท่านก็จะยอมตายที่นี้เอาตายสู้สู้จนตายคนเราถ้าเอาตายสู้สู้จนตายแล้วชนะทุกหลายดูพระพุทธเจ้าของเราในคินวันนั้นเมื่อพระองค์ ตายเอาตายสู้เจดใจของพระองค์ก็ไม่ทอดแท้อ่อนแอในหัวใจเลยกิเลสมานสังขารมานพอได้ได้ยินได้เห็นพระองค์ตั้งจิตเจตนาอย่างนั้นเรียกว่าพยามานกิเลสมานพยามานข ย, ยาดกลัวทีเดียว ว่าจะมีท่าสู้ได้อย่างใดแต่ก่อนนั้นพยามาลมารกิเลสก็โผกมัดลัดลึงพระองค์ท่านให้พัวพันอยู่ในกิเลสสกามวัตถกามให้มาเกิดแก่เจ็บตายอย่างเราเร า, เราท่านท่านนี่แหละมาบัดนั้นพระองค์ไม่เอาเสียแล้วจะเอาตายสู้ นั่งขัดสมารถเพชรเสร็จเย็ดลอยจิตใจของพระองค์ก็องค์อาจกล้าหาญเป็นเหมือนเพชรน้ำหนึ่งใจเดียวด้วยอะไรเล่าจิตใจนั้นสำคัญคนเราถ้าใจจะเอาอะไรจริงๆแงวได้ทุกหลากสำเร็จได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็ตั้งใจแน่วแน่ ไม่หวั่นไหวตายเป็นตายทีนี้พระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาจะเอาอุบายไหนภาวนาพระองค์ก็ได้ความว่าอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละดีที่สุดคือว่าลมหายใจเข้าไปพระองค์ก็ทำความรู้ว่านี่เป็นลมหายใจเข้าไป เวลาลมหายใจออกมาพระองค์ก็รู้ว่านี่เป็นลมหายใจออกมาความรู้ในใจของพระองค์ก็แน่วแน่มันคงไม่หลงไหลไม่ปล่อยให้จิตใจคิดไปอดีตอนาคตภายนอกออกไปตัดทิ้งหมดโลโยเฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกพระองค์โย ที่กงนี้คือจิตใจของพระองค์ก็ตามจิตใจของคนเราทุกคนที่ฟังอยู่นี้ก็ตามจิตใจนั้นไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนร่างกายของคนของสัตว์จิตนั้นมีความโอยูุจิตนั้นมีอาการสี่อย่างเวทนาหมายถึงจิตใจดวงผู้รู้อันนี้ สเสวยสุขบ้างสเสวยทุกบ้างเฉยเฉยบ้างให้ชื่อว่าเวทนาอาการของจิตที่สเสวยอารมณ์ดีชั่วประการใดให้ชื่อว่าเวทนาเจ็ดดวงนี้แหละที่จำหมายได้ว่านั่นเป็นคนนี่เป็นสัตว์สีแดงสีดำสีขาวอะไรว่าไป ก็ได้แก่สัญญาก็จิตดวงเดียวที่ดวงผู้รู้ฟังธรรมอยู่นี่แหละสังขารคกอจิตปรุงจิตแตง่งปรุงเป็นอย่างนั้นปรุงไปอย่างนี้จนกระทั่งคำพูดของคนก็ปรุงแตง่งจึงเป็นภาษาคำพูดออกมาให้ชื่อว่าจิตสังขาร ก็จิตดวงเดียวจิตดวงผู้รู้ผู้ฟังคำอยู่นี่แหละที่นี้จิตนี้มีอาการรู้ตามอาการที่อาญตนะทางหลายกระทบกระเทือนมาก็มีความรู้ตามนั้นจำหมายอย่างไรสเสวยสุขทุกอย่างไรก็มีความรู้ตามนั้นให้เชื่อว่าวิญญาณ นามธรรมทั้งเศนี่แหละรวมเข้ามาแล้วได้แก่ดวงจิตดวงใจเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมอยู่นี่คือได้แก่ดวงจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจเราจะพูดจาปราศัยได้ก็มีจิตใจดวงผู้รู้ยังอยู่ในตัวนี้ ถ้าเจต ด, ดวงนี้ออกจากร่างไปแล้วเราทุกคนก็จะเห็นว่าคนนั่นที่เขาตายไปแล้วแม้จะมีลูกมีตัวโยเจตไม่โยในร่างกายแล้วก็เฉยหมดสกุลไม่รู้ทำอะไรไม่เป็นไม่ไปทั้งนั้นนั่นคือคนเราตายจิตมันออกจากร่างแล้วแต่บัดนี้เวลานี้ เจ็ดดวงนี้ไม่ได้ไปที่ไหนรูปร่างกายนั่งอยู่นี้เจ็ดก็มีความรู้อยู่ที่นี่แต่ว่าเราจะมารู้จักรู้แจ้งเอาโดยไม่ภาวนานั้นไม่ได้คือเจ็ดมันเป็นธาตุนามธรรมไม่มีตัวตนมาอาศัยร่างกายสังขารขาแสงขาสองแขนสองศีรษะหนึ่ง เมหนังห้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละให้พากันรวมจิตรวมใจเข้ามาอันพระพุทธเจ้านั้นในคืนวันนั้นเดือนหกเพนพระองค์ก็ได้ตรัสสลู์ไปแล้วแต่เราท่านทั้งหลายก็ให้พากันรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในบัดนี้เดี๋ยวนี้ให้ได้ กา น, นความทุกข์ความเดือดร้อนของมนุษย์และเทวดาอินพรมในโลกนี้ก็เพราะว่าอำนาจกิเลสความโกรธอำนาจกิเลสความโลภความอยากอำนาจกิเลสความหลงมาทับถมจิตใจของคนเราทุกคนจนหาเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาไม่ค่อยจะได้ ถ้าเราไม่ตั้งออกตั้งใจขึ้นมาแล้วกิเลสมารสังขารมานนั้นมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในโลกนี้คนเราก็ตามเทวดาอินพรหมแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าของเราก็จำเป็นต้องบำเพ็ญบารมีมาตั้ง <c oughs> สีอสงไขจึงมาลู่หน้าตาของมารกิเลส พระองค์ก็ไม่หลงต่อไปอีกทำลายล้างกิเลสราคะโทสะโมหะในน้ำพระไทยใจของพระองค์ให้หมดไปที่ว่าพระพุทธเจ้าละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดไปแล้วพร้อมทางวาสนาในเคินวันเดือนหกเพนนนั้น <c oughs> เมื่อพระองค์เลิกได้ละได้แล้วพระองค์ก็กล้าหาญและสอนพุทธสาวกทางหลายเมปัญจวคีเลสีทางห้าให้ได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของแต่ละบุคคลว่า มาลุ่มหลงหมัวเมาเชื่อหลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจอิเทศเจแลดราคะทศโมหะมันก็โผมัดลัดลึงเราท่านทั้งหลายให้ติดอยู่ข้องอยู่ในมนุษย์โลกบ้างเทวโลกบ้างพุมาโลกบ้างถ้าทำชั่วเสียหายตายไปก็ไปตกนรกบ้างมาเป็นสัตว์สิ่งเดียวฉานที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่แหละ แต่บัดนี้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้มานั่งสมาธิภาวานาที่ถ้าผาปล่องอยู่ในเวลานี้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันใหญ่ยิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้มาโซสถานที่นี้วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้เมื่อเรามาโซสถานที่นี้แล้วก็ให้ ตั้งใจภาวนานึกบริกรรมภาวนามีพุทโธพุทโธเป็นตนหรือว่าจะนึกว่าเราเกิดมาแล้วนี้หนีความแก่ความชราไม่ได้หนีให้พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ก็เป็นภาวนาได้หลือว่าหนีให้พ้นจากความตายก็หนีไม่พ้น นึกยังนี้ก็คือว่าภาวนาได้ถังนั้นโดยเฉพาะคือว่าความตายนี้พระองค์เตือนในสมัยพระองค์ยังมีชีวิตยอยู่ท่านว่าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคือว่านึกบ่อยๆซึ่งความตาย <c oughs> แต่คนยังเด็กยังหนมก็ไม่ค่อยพอใจ เพราะคนเด็กคนหนมนั้นมุ่งหน้าไปข้างหน้าว่าจะไม่ตายจะไม่ให้มันตายจะอยู่ให้นานที่สดุดถ้าว่าถึงเรื่องตายแล้วก็ไม่อยากฟังแต่ก็จําเป็นต้องฟังเพราะว่าความตายนั้นเราทุกคนที่เกิดมาต้องเห็นว่ามันหนีตายไม่ได้เป็นเด็กก็ตายได้เป็นหญิงก็ตายได้เป็นชายก็ตายได้ แกชะลาก็ไม่พ้นจากความตายเป็นพระสององข้าเจ้า <c oughs> ก็ไม่พ้นจากความตายเป็นอะไรก็เป็นเถิดแต่ว่าความตายนี้มันครอบงำเสียจริงๆทุกคนที่เกิดมาแล้วจะต้องตายส่วนมากก็ตายภายในร้อยปีไม่ค่อยจะมีคนเลยร้อยปี แม้จะเลยล่อยปีไปก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วรักษาศีลภาวนาทำบุญสุนทานอะไรก็ยกไม่ไหวเหนั้นความตายนี้เราหนีไม่พ้นจริงๆเอาความตายมานึกมาเตือนใจของเราทุกคนให้รู้สึกสานึกอยู่ในตัวในใจว่าหนีไม่พ้นต้องตายแน่ๆบางคนก็ ยังหนุ่มแข็งแรงก็ตายไปเราต้องมาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจึงจะมีทางพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านี้ระความเกิดขึ้นมาแล้วความแก่ชรามันเป็นไปเองความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปเอง ยังมละนะภัยคือความตายนะั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกชั่วโมงนาทีวินาทีทุกเดือนทุกปีมันใกล้เข้าไปโดยลําดับลําดับไม่มีใครจะห่างไกลไปได้จึงให้พากันนึกน้อมเตือนใจว่าทําอย่างไรเราจึงจะพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยตายนี้ให้ได้ มีภาวนาลูกเดียวทำใจให้สงบตั้งมัน่นเมื่อเรานึกถึงพุทธโธก็ให้ใจของเรานึกให้ได้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรานี้โยที่ตัวของเรานี้ไม่ต้องคิดไปถึงท่านที่อยู่เมืองนิพพาน เคสเข้ามาว่าอยู่ที่ตัวอยู่ที่ใจนี้ใจเราอยู่ที่ไหนเราฟังธรรมได้ยินอยู่ที่ไหนในเวลานี้ก็ให้เราน้อมนําเอาจิตใจดวงนั้นเข้ามาสงบระ ง, งับตั้งมัน่นโยในเวลานี้เดี๋ยวนี้ให้ได้หรืออย่างง่ายๆก็คือว่าเสียงที่กระทบลอยไปในอากาศนั้นมาเข้าโสดเข้าหูของเรา เมื่อเข้ามาแล้วก็มารู้สึกว่าท่านชี้แจงสแสดงเทศอย่างโน้นอย่างนี้ท่านให้นึกภาวนาอย่างโน้นอย่างนี้เนละเคราว่าใจของเราอยู่ที่ตรงนี้ตัดนี้รู้ที่ไหนให้ตั้งที่นั้นจึงให้ชื่อยอ่อๆพอเป็นหัวข้อได้ความว่าจิตใจดวงผู้โอยู่ที่ใจของเราทุกคน เธอเจตใจนั้นมันมีความรู้เป็นจุดหมายไม่ว่าใจคนใจสัตว์ใจเทวดาอินทร์มใจพระสงฆ์องค์ขาเจ้าก็เหมือนกันไม่ต่างกันเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรก็ตามใจจตใจดวงผู้รู้อันนี้คลองอยู่ในร่างกายตัวตนคนละดวงละดวงถ้าเจตดวงนี้หนีจากร่างกายนี้ไป ก็เรียกว่าตายหรือเมอุปัทวาเหตุ์ต่างๆกระทบกระเทือนเข้ามาก็ตายไปได้เหมือนกันโรภคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายสังขารถ้ารุนแรงก็ถึงซึ่งความตายได้ทุกเวลามรณ ะ, ะภัยคือความตายพระองค์จึงเตือนว่าให้สาวกทั้งหลายลูกศิษย์ทั้งหลายมันนึกมันจเจริญไว้ ถ้าเจตใจของผู้ใดมารณ ะ, ะกรรมาฐานปรากฏขึ้นมาสิ่งที่เราว่าเลิกไม่ได้ละไม่ได้ละได้ไดทั้งนั้นดูเวลาคนเราตายไปแล้วเขาไม่ได้เอาอะไรไปได้แม้แต่น้อยทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเต่าล้านเหรนไม่มีใครเอาไปได้ มีอัดมีสตางมากก็เอาไปไม่ได้มีน้อยก็เอาไปไม่ได้แม้ร่างกายสังขารของตัวเองได้มาแต่งแต่เกิดจนแกชลาก็เอาไปไม่ได้หมดลมหายใจกลองไหนก็ทิ้งไว้กองนั้นแหละเขาจะเอาไปฝังดินเผาไฟก็ไม่ว่ากะไรนี่แหละมันเอาอะไรไปไม่ได้ ถ้าผู้ใดมาเห็นแจ้งเห็นจริงว่าทุกคนทั้งผู้แท่ทั้งผู้ฟัง <c oughs> เหมือนเหมือนกันไม่มีใครต่างกันถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วเหมือนกันหมดลองโซสภาพแห่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเสมอภาคกันหมด โดยเฉพาะคือว่าถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดแล้วไม่ว่าคนในบ้านในเมืองในป่าในเขาที่ไหนมีกลิ่นเหม็นเหมือนๆกันสแสดงว่าร่างกายสังขาร น, นี่เสมอภาคเป็นธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่ตั้งโลกมาคนเราก็เกิดแก่เจ็บไข้ตายไป ตายไปแล้วก็มันเกิดมาอีกอย่างที่เราเกิดมาพบนี่ชัดนี่นี่แหละไม่ไปที่ไหนเพราะว่าจิตมันยังคล้องอยู่ยังหลงอยู่ยังสำคัญผิดคิดว่าการเกิดมาเป็นคนมีความสุขแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าเกิดเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดาอินพรหมเป็นเท่าพยามาหากษสัตรเป็นอะไรก็มีทุกเท่าๆกัน จะต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายชีวิตจึงอยู่ได้เมื่อมีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายก็จำเป็นจะต้องแสวงหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายนี้ชีวิตของเราจึงทนมาได้หลายสิบปีก็มีที่นั่งอยู่นี่นี่แหละเราท่านทั้งหลาย จงพากันรวมจิตรวมใจเข้ามาสงบอยู่ในดวงจิตดวงใจของเหล่านี้ให้ได้เพราะใจคนเหล่านั้นมีอยู่ดวงเดียวคือจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละเจ็ดดวงนี้ไม่ได้มากไม่ได้น้อยมีอยู่ในที่ใจที่ตัวเหานี้แหละ ถ้าเราฟังให้ดีทำให้ดีกำหนดให้ดีให้ได้จิตใจเราจะเยือกเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปเรีรยกว่าใจสงบตั้งมาเป็นจิตใจดวงเดียวเอโกทำโมเป็นธรรมดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียว ถ้าจ็ตดงนี้มาสงบระงับตั้งมั่นลงไปที่ตัวที่ใจของเราแล้วสบายทุกไลสบายทุกคนไม่มีใครจะสุขทุกเกินกันไปได้เพราะความเกิดมาแล้วความแก่ชรามันก็เหมือนกันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เหมือนกันความพับผากจากของรักของชอบใจเหมือนกัน ชีวิตมีความตายเป็นผลที่สุดเมื่อเรามารวมจิตใจดวงนี้ให้ได้สงบตั้งมัน่นจนเห็นแจ้งว่าไม่มีใครที่จะพ้นไปได้แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้าจิตใจสงบระ ง, งับตั้งมั่นแล้วท่านก็ให้กำหนดว่ารูปร่างกายตัวของเราทุกคนนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรียกว่า นามะโลฟังนามหมายถึงจิตโลโลกหมายถึงร่างกายนามะโลฟังอนิจจนามในรูปนี้ไม่เทีย่ยงดูวเวลาเรานอนอยู่ในท้องแม่เป็นอย่างหนึ่งคลอดออกมาอยู่ข้างนอกเป็นอย่างหนึ่งเปลี่ยนไปเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็ชำรุดสุดโทมอีก นี่เคยว่าเป็นธรรมดาของโรคประคันไม่ว่าคนชาติใดภาษาใดเหมือนกันหมดเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วระยะการเวลาหนึง่งแล้วก็แตกดับตายไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่เมใครดีวิเศษเกินไปได้มันโยแค่นี้เอง บัดนี้เมื่อเรามาภาวานาทำใจให้ลูกแจ้งว่าลูกนามไม่เที่ยงลูกนามเป็นทุกข์ลูกนามไม่ใช่ตัวตนแล้วเราจะได้ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่มันมาเกี่ยวเกาะกังวลอยู่ในตัวในใจของเหล่านี้ให้ใจของเราวางจากอารมณ์ความต้องการกิเลส เจตใจจะได้สบายภาวนาได้ทุกวันทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกทุกคืนนั้นก็จะได้กราบพระไหว้พระทาวัดสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานั้นให้นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย ทำใจให้สบายเพราะว่าตัวคนเหานั้นไม่มีหลายตัวหลายตนเหมือนความคิดความหมายเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวเมจิตใจคลองโยในร่างกายสังขารเหมือนเหมือนกันได้แก่จิตใจดวงผู้โลภผู้ฟังธรรมได้ยินอยู่นี่เอง ผู้ใดมากําหนดแจมแจ้งว่าร่างกายสังขาร น, นี้มันไม่เที่ยงเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์ที่เรามายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเหล่านี้ก็คือว่ามันธาตุดินธาตุน้านําธาตุไฟธาตุลมมาอาศัยชั่วระยะการเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง อีกไม่นานเราก็จะได้พัดพราจากกันไปเป็นธรรมดาของโลกแต่ถ้าเรามาภาวนาทำใจของเราเห็นแจ้งว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงโลกนี้เป็นทุกโลกนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อจิตใจมาลู้แจ้งลู้จริงอย่างนี้ได้เมื่อใดเวลาใดใจของคนเราทุกคนก็จะ ปดความทุกข์ความเดือดร้อนออกจากตัวตนได้ใจจะสบายภาวนาอยู่ได้ในใจในตัวของเราเองนั่นแหละไม่ต้องไปหาที่อื่นในใจของเรานั้นถ้าหากว่าใจดวงผู้โลมาอยู่ในจิตในใจในร่างกายตัวตนแล้วจะสบายทุกไลทุกขนไป ที่มันวุ่นวายออกไปก็คือว่าจิตใจมันสําคัญผิดคิดว่าไปที่โน่นจะมีความสุขอยู่ที่โน่นจะมีความสุขได้อย่างนั่นจะมีความสุขดีอย่างนี้จะมีความสุขอันนี้มันหลอกลวงกี่แรกมันหลอกลวงสังขารมันหลอกลวง โดแต่ว่าเราเกิดมาเป็นหญิงคนเดียวแท้ๆเป็นชายคนเดียว แ, แท้ๆทาไมจึงไปมีครอบครัวขึ้นมาก็เพราะว่ามันหลอกลวงให้เราท่านทั้งหลายหลงและมันเคยลุ่มหลองมาอย่างนี้เป็นอเนกชาตินับพบนับชาติไปทั่วนแล้วเกิดมาแล้วมันก็ลุ่มหลงอย่างนี้ <c oughs> ตลอดไป เมื่อเรามาคิดให้เห็นว่านี้แก่หนีเจ็บหนี้ไข้ไม่หนี้ตายไม่ได้หนีความห่วงความอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้ภาวนาจิตเราไม่สงบจิตเราไม่ตั้งมัน่นก็ให้ภาการลิเริ่มตั้งแต่ปีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปจนจิตใจสงบตั้งมัน่น ปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสตร์สนานั้นไม่ต้องไปเรียนที่ไหนถ้าใจเราสงบตั้งมั่นดีแล้วตาโดโหฟังยาโมกดมกินลิ้นลินลมลดกายถูกต้องโพพะใจคิดธทรมาลมอะไรก็ตามมันเป็นความรู้ความเข้าใจทางนั้นแหละ ความรู้ความเข้าใจถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวานาแล้วอะไรก็สอนใจของเราได้เห็นคนเกิดก็เอามาสอนเราว่าเมื่อเกิดมาตัวเราก็ทุกอย่างเขาเกิดนี้เห็นคนแก่ก็เอาความแก่ชรามาสอนใจเราใจเราก็สบายขึ้น เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยสัตว์เจ็บไข้ได้ป่วยคนแตกคนตายเอามาสอนตลอดเวลาว่าถ้าแท้ความจริงมันไม่ใช่สุขในโลกนี่มันทุกไม่ใช่สุกจนมองเห็นแจ้งในจิตในใจนั่งโยก็มองเห็นยืนโยก็มองเห็นเดินไปมาที่ไหนก็มองเห็นรู้ได้เข้าใจว่ามันโยในก้อนทุกกองทุกตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ฝึกหัดจิตใจของเราให้สงบตั้งมัน่นมองดูกองทุกข์ในโลกนี้ไม่มีคนไหนมีความสุขเกินกันไปความคิดตื่นๆตนก็คือว่าคนเราคิดว่าถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของเหลือินเหลือกินเหลือใช้แล้วก็จะมีความสุขความจริงไม่เป็นอย่างนั้น มีทรัพย์สินเงินทองมากมายนั้นถ้าเรายังไม่ได้ไม่มีก็เหมือนว่าจะมีความสุขแต่ถ้ามีแล้วไม่ใช่ความสุขแหละมันเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์คือว่าถ้าหากว่าเรามีเราไม่ทำบุญให้ทานโจรโพลายก็พ้นจี้ลาวีเราก็เดือดร้อนอีกอ่า เพื่อนญาติเพื่อนเมตสาหายมาขอยิบขอยืมอีกก็เดือดร้อนวุ่นวายไม่ให้เขาเขากบก่นเอาจีเอาดุดาวา่าไล่เอาเนรทันว่ามีทรัพย์มีสินก็เป็นทุกข์อย่างนี้ถ้ามีภาวนาพุทโธในใจอย่างเดียวนึกถึงธรรมพระพุทธเจ้าจะสบายเพราะว่ามีมันก็จะต้องไปถึงจน ยังว่าความตายมาถึงเข้าความทุกขมาถึงเข้ามันจนที่สุดทุกขที่สุดละ่ะสิ่งนั้นเราทุกคนจะต้องไปถึงความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความปวดแข้งปวดขาปวดเขา่าบน่นปุ่มปุมปั๊มปั๊ ม, มเหมือนคนเฒ่าคนแก่ก็หนีไม่พ้นเหมือนกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก้อนทุกกองทุกจริง พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดมาแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนให้เกิดสุขสบายอย่างเดียวพระองค์ตัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ไหนก็ทุกข์เสมอกันเกิดมาเป็นคนก็ทุกข์ในเรื่องของคนเกิดมาเป็นสัตว์ยิงลายกว่า ไปเป็นเทวดาก็ไปทุกข์อยู่เมืองทถงเวลาชั่นฟาเทวดาเป็นพยาอินพยาพรมก็เป็นทุกข์อย่างนั้นแหละไม่มีที่ไหนเป็นสุขสุขจริงๆก็คือจิตใจสุขจิตใจภาวนาพุทโธในใจจิตใจนึกถึงความตายได้ทุกเวลาจิตใจสงบตั้งมัน่น จนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในจิตใจของตนได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าจิตใจมาสงบตั้งมั่นอย่างนี้ได้ทุกคนทุกคนที่นั่งอยู่นี้ก็ได้จิตใจสบายด้วยกันทั้งนั้นแม้จะไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนก็าตามเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลาย เมื่อท่านมาบวทเรียนเขียนอ่านในทางพุทธศาสนาอะไรอะไรท่านก็โยนให้แก่ญาติโยมหมดภาวนาลูกเดียวพุทโธลูกเดียวท่านก็มีความสุขจิตสุขใจเพราะว่าใจิตใจมีความสุขแล้วสุขไปหมดใจิตใจสบายแล้วก็สบายได้หมด ถ้าจิตใจทุกแล้วนั่งก็เป็นทุกนอนก็เป็นทุก์ได้ก็เป็นทุกเสียก็ยิ่งทุกใหญ่อันนี่มันเป็นที่จิตที่ใจคือใจขาดสมาธิภาวนาขาดการปฏิบัติธรรมะถ้าใจภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเด็กๆ ก, ก็สบายคนใหญ่ก็สบายใหญ่คนน้อยก็สบายน้อย ลอสินทมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นการขัดเกลอกิเลสในหัวใจ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้คนเรานั้นแล้วว่าไม่ค่อยขัดเกลากิเลสในหัวใจของตนมักจะแส้ทายลุ่มหลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโทพทิภพธรรมาลมเข้าใจว่าคิดไปโน้นได้อย่างโน้นจะมีความสุขความจริงไม่ใช่อย่างนั้น จใจของผู้ใดรวมสงบมาในหลักปัจจุบันคือในเดี๋ยวนี้เวลานี้พุโทโธอยู่ในตัวในใจทมโมสังโฆอยู่ในตัวในใจใจของเรามั่นคงอยู่ภายในนี้อันนี้แหละเป็นความสุขแต่เรายังไม่ประกอบกระทำให้เต็มที่ก็เข้าใจว่ามันไม่สุขแต่สุขจริงๆนั้นใจสงบ ใจหยุดใจอยู่ใจเลิกละอิเลดความโกรธความโลภความหลงในโลกนี้มันมีความติเตียนนินทาว่าไลายป่ายสีให้แก่กันและกันคือว่าเบียดเบียนกันอยู่ในตัวไม่เลิกละถ้าใจของเราถึงคุณพระแล้วคนอื่นจะเบียดเบียนว่าไลายป่ายสีก็วางใจไว้เป็นเฉย ไม่ต้องไปต่อล่อต่อเถียงไม่ต้องไปห้ามเขาเขาจะดุดาว่าไล่ก็เป็นเรื่องของปากเสียงของเขาเขาก็ว่าไปตามความไม่รู้เราผู้ได้ฟังก็อายุก็ไม่นานเท่าไหร่ยังไม่ถึงล่อยปปีก็ตายคนที่เขาว่าไายใส่ไล่ให้แก่ตัวเราเขาก็ตายภายในล้อยปีนี้แหละ ถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็ไม่ไปโกรดให้เขาแหละกรดให้ใครก็ไม่ต้องไปฆ่าไปตีให้เขาตายปล่อยให้มันตายเองนั่นแหละร้อยปีกว่าๆมันก็ตายถ้าเราเขาไม่ตายก่อนเราคนที่เรากอดเขาไม่ตายก่อนเราเองก็จะตายก่อนเขาถ้ามันเลยร้อยปีมันแก่แล้วมันจะไปไหนให้คิดให้เห็น เมื่อคิดให้เห็นแล้วเขาด่าให้เราก็ยิ้มอยู่ในใจเออจะมาด่ากันไปถึงไหนตัวเองก็ร้อยปีก็ตายเราผูใ้ใดได้รับให้เขาด่าว่าก็ร้อยปีมันก็ตายปล่อยให้มันตายไปเองดีกว่าช่างมันเถอะพุโทโธพุโทโธในใจถ้าเราทุกคนนึกได้อย่างนี้ก็สบายอกสบายใจทีเดียว อย่างว่าเราไม่มีสะตุ้งสะางใช้จ่ายเพียงพอเราก็เป็นทุกข์เลยแต่ถ้าเราคิดว่าจะมีขนาดไหนก็ตามถ้าความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเขามันก็ทุกข์อยู่นี่เลยหรือความตายมาถึงเขา้ามีสตดุ้งสะางเท่าไหร่มันแก้ทุกข์ไม่ได้แก้ทุกข์ได้แต่ภาวนา ละกิเลสลาคะละกิเลโทสะในจิตในใจได้เมื่อใดเวลาใดนั่นแหละพ้นทุกข์พ้นทุกข์พ้นภัยจริงๆไม่ได้หมายเอาร่างกายพ้นอย่างเดียวอันส่วนร่างกายนี้พ้นจริงๆไม่ค่อยจะได้แต่จิตใจนั้นถ้าเราภาวนาละกิเลสไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใคร ไม่อิจฉาตาร้อนแก่บุคคลผู้ใดใจเราจะสบายสงบระงับตั้งมั่นโยได้ตลอดในหัวใจถ้ายังทำละจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ได้จิตใจที่ภาวนาตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาก็เป็นจิตใจที่สูงส่ง เราเลิกไม่ได้ละไรได้ในปฐมมาวัยเราก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาต่อไปถ้าตกไปถึงมัดชิมมาวัยทำกลางคนสติปัญญาของเราก็คงเกิดขึ้นต่อสู้กับกิเลสในหัวใจของเราได้ถ้าเวลากลางคนมันตกอยู่ในความอยากได้มากมายสู้ไม่ได้อายุห้าสิบหกสิบ 40-50 หสบนี่มีแต่ความอยากได้ไม่พอพระพุทธเจา้าพระองค์จึงตัดว่านาทิตันหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตันหาไม่มีถ้าเราต่อสู้ไปอีกภาวนาไปเอก อายุล่วงเข้าหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีร้อยร้อยสาวไปปีมันจะเหลือหรือไม่มีใครเหลือแล้วจำเป็นต้องตายแต่ว่าตายตายนี้มันตายแต่รูปร่างกายจิตใจมันไม่ได้ตายใจนะมันก็ไปเกิดมาใหม่ไปปรุงแต่งมาใหม่อีก ถ้าพรมใจของตัวเองบุญกุศลของตนทำไว้เป็นบุญเป็นภรมมนุษย์ก็มาเกิดเป็นคนการมาเกิดเป็นคนนั้นมันก็อย่างว่านั่นแหละมะม่วงเวลามันหลน่นมันก็หล่นในบริเวณตนมันนั่นแหละไม่ไปไกล คือเราตายไปถ้าภูมิเป็นคนก็มาเกิดเป็นลูกของลูกอีกเป็นลูกของหลานอีกอะไรต่อมีอะไรวนอยู่นั่นแหละแหะนั่นคนเฒ่าคนแกจึงหนีจากหลานจากลูกไม่ค่อยได้ถ้าพระท่านว่าไปภาวนาที่วัดเถิดเจ็ดใจจะได้สบงบสบายาย้ายแกก็จะตอบว่าเออหนีจากหลานไม่ได้ หลานของข้านี้แม่มันตายไปบ้างพ่อมันตายไปบ้างไม่มีใครดูแลไม่มีใครเลี้ยงดูรักษาแก้ไปตามเรื่องแต่ถ้าเราคิดให้ดีว่าถ้าตัวเราจะถึงวันแตกดับตายจริงๆโลกหลานเขาจะอยู่ไปได้ไหมอยู่ได้โดโคนที่เขาล่วงมา พ่อแม่ตายไปก็มีผู้อื่นเป็นพ่อเป็นแม่อีกต่อไปเขาก็ดิ้นลนไปตามของเขาเหมวอนเราทุกคนเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วเราก็สู้ของเรามาตามกำลังความสามเมาแต่ว่าจะให้เราท่านทั้งหลายสู้ในทางนั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกพุทโธในใจนี่แหละดีวิเศษกว่าสู้อย่างอื่น มีอย่างอื่นสู้มีจิตใจสงบระงับตั้งมั่นไม่ได้แต่ว่าใจที่จะสงบตั้งมั่นนี่ไม่ใช่ว่านั่งพูดไปพูดมาเทศไปเทศมาก็จะสงบระงับไม่ได้เราต้องทำต้องปฏิบัติเราต้องตั้งอกตั้งใจรักษาศีลห้าศีลแปตั้งใจทำบุญสนทานเราจะไปรอว่าขอให้ ล่ำรวยเสยก่อนจึงทำบุญไม่ได้ไม่ไหวขอให้แก่ขนาดนั้นจึงจะรักษาสินห้าจึงจะรักษาสินแปดก็ไม่ไหวเหมือนกันเราเกิดศรัทธาขึ้นมาวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ก็ให้ตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญภาว น, นาไปการรักษาสินห้าก็ไม่ใช่มีอะไรยุ่งยากท่านให้เว้นจากการฆาตตัดชีวิต เว้นจากลกขโมยวัตถุเขาของคนอื่นเว้นจากประพฤติผิดในการเว้นจากกล่าวมุสาวาเว้นจากดื่มกินสุราเท่านี้มันก็เป็นหลักศีลหประการแล้วใจเราก็เป็นศกกายเราก็เป็นศกไม่มีทุกประการใดถ้าหากว่าเราไม่รักษาศีล ตอยปะละเลยเวรภัยก็ไหลเข้ามาบาปต่างๆมันก็เกิดมีขึ้นได้ทุกลมหายใจเหตุนั้นการรักษาศีลนี่คือว่าปิดอบายภูมิปิดความทุกข์ความเดือดร้อนได้จริงๆแต่ว่าเราต้องตั้งใจปฏิบัติรักษาให้ดีไม่มีคนอื่นใดจะมารักษาศีลให้เราไม่มีคนใดจะ มาทำบุญสนทานให้ดีเท่ากับตัวเราทำเองแห่งนั้นการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนอย่าได้พากันประมาทโมเมาวันนี้คืนนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันพาวนาของพระพุทธเจ้า ของภาษาวกเจ้าทั้งหลายพุทธบริษัททั้งปวงของเทวดายินพรมสมัยบุลล้มโบราณโนดมาถึงเราท่านทั้งหลายก็ให้ตั้งจิตเจตนาตั้งใจภาวนาในวันนี้ให้ได้วันนี้นั้นแล้วว่าเป็นวันเปิดเปิดให้เราท่านทั้งหลายภาวนาเปิดให้เราท่านทั้งหลายฟังธรรมเปิดให้เราท่านทั้งหลาย เลิกละกีแลงความโกรธความโลภความหลงในตัวในใจของเราออกไปเราไม่ต้องไปวุ่นวายทั้งอื่นมากมายเมื่อเราเกิดมาเราเกิดมาคนเดียวแทๆ้ๆไม่มีใครเป็นเพื่อนสองเราใหญ่ขึ้นมาเพราะอาวิชชาตัญหาในใจของเราต่างหากจึงได้แสวงหาเพื่อนฟงมาเป็นหมเป็นคณะ แล้วก็เลยเกิดลูกเต้าหลานเลนสามีภรรยาวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดบัดนี้เมื่อเรารู้สึกแล้วให้เราตั้งใจรักษาศีลทาบุญสุนทานตั้งแต่วันพระนี้วันวิสาขบูชานี้ต่อไป ถ้าหากว่าชีวิตของเรายังยืนยาวข่าวไกลไปอยู่เราทำทุกวันทุกคืนบุญบรารมีเก่าของเรามีมาบุญบรารมีใหม่ที่เราทำอยู่ก็เพิ่มเติมขึ้นไปโดยลำดับลาดับที่ว่าเราเป็นไปไม่ได้บุญน้อยวาสนาน้อยคิดไปเองปรุงไปเองไม่จริงถ้าเราทำดีวันนี้ บนที่เราทำมันก็อุดหนุนไปในทางที่ดีถ้าคนใดทำบาปอากุศลไม่ดีมีแต่ดุดาว่าไล่คนอื่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบาปนี้มันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไปไหนมาไหนก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีทางนั้น อย่างคนเราไปในน้ําก็มีเหตุภายในน้ําไปบนบกก็มีเหตุภายบนบดไปเครื่องบินก็พาเครื่องบินตกลงมาก็เพราะบาปคนเราทํานั่นเองใครจะไปช่วยแก้ไขได้เหตุนั้นวันนี้เป็นวันที่เราทุกคนจะต้องตั้งสักดิ์อธิษฐานลงไปว่าเราจะทําคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้น ทั้งกายทั้งวาจาคือคำพูดทั้งใจคือภาวนาเราจะไม่ทำให้ยุ่งยากแก่บุคคลผู้ใดเมื่อตั้งจิตเจตนาอย่างนี้ได้แล้วเราก็ตั้งใจภาวนารักษาคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้น เมื่อมันเกิดมีขึ้นในตัวในใจของเราแล้วภายหลังเราก็จะรู้สึกตัวทีเดียวว่าทำบุญให้ทานนั้นดีแท้รักษาศิ้นหสินแปิ้นสิส้ีิบ2จนั้นดีจริงเราก็จะได้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ความสกายสาบายใจความมุ่งมากราถนาในตัวในใจของเรามีอย่างไรก็จะค่อยสาเร็จไปแต่ละขั้นๆผลที่สดบนบาปนั้นมันมีอยู่สแสดงปรากฏการอยู่ในตัวคนเราทุกคนไม่มีใครจะหนีพ้นไปได้เนและเราท่านทั้งหลายอุบายทำโดยย่อต่างๆนา น, นานี้ ให้เราท่านทั้งหลายนำไปคิดอ่านพิจารณาจนให้เกิดสติสมาธิปัญญาวิชาวิมุตตความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลา เอวังกองมีด้วยประกาลชะะนิสัพพิติโยวิวัตชันตุสภะโลโควินัสโตมาเตภวัตวันตรยโยสุขิธิคายุโกภพวะอภิวาธานาสิริเนิจังวุธาปัจจายิโนจัตตาโรโอธรรมมาวะทันติอายุวันโนโศขังภาลัง